อ่ขันมะมิมตากรุมพีถามดังนั้นแล้วนางสาวมานางสาวสาวมาความจริงลูกสาวของท่านเศรษฐีที่ตายชื่อว่าสาวมาเฉยๆยังไม่ลงว่าว่าดียินเลยกล่าวตามความเป็นจริงว่าในวันก่อนที่ฉันมารับสามส่วนนั้นก็ามาด้วยกันสามคน คือมีพ่อหนึ่งแม่หนึ่งและฉันหนึ่งวันนั้นไปบังเอิญบิดาตายวันรุ่งขึ้นจะได้รับสองส่วนเพรเหลือฉันกับแม่มาวันที่สองแม่บริโภคอาหารแล้วก็คืนก็ตายมาวันนี้ฉันเหลือคนเดียวฉันได้รับส่วนเดียวเจ่าไห่แล้วพ่อบันดาฉันทำไมความจริงพ่อไม่นัดไม่ได้จะด่าฉันน่าจะถามฉันก่อน สำหรับในมิตรกุดมพีได้ฟังเรื่องทั้งหมดที่แม่สามาบอกตั้งแต่ต้นเห็นใจนางแล้วก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไม่ได้ร้องไห้เกิดความเศร้าใจเหลือเกินว่าหญิงคนนี้มีมัญญาติดีเหลือเกินการมาขอไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนแล้วแย่งกันประสานกันยื่นมือข้ามาได้สรงเสียเอเออวย แต่ว่าเด็กหญิงทคนนี้แสดงการบารจา็สุภาพจริญญาคสุภาพคอยจังหวะที่จะให้ไม่ยังไม่ให้ก็ยังไม่ร้องปากขอถ้ายังไม่เรียกเขมาเธอก็ยืนรอรอคนอื่นเรับก่อนมองดูจริยาท่าทางคนนารู้สึกว่าจะเป็นคนดีที่เรียกกันว่าผู้ดีคําว่าผู้ดีนี่ไม่ได้หมายว่าคนที่มีฐานะดีมียศใหญ่ แต่ว่าเป็นคนมีมัญญาดีมีน้ำใจดีจึงเรียกกันว่าผู้ดีนี่เป็นอันว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นผู้ดีแน่ิดยความสงสารที่ยงบอกว่าแม่เมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้เวลานี้พ่อของเจ้าก็ตายแม่ของเจ้าก็ตายแล้วเจ้าก็ต้องอยู่คนเดียวแต่เดาว่าเอาอย่างนี้ดีไหม ถ้าเธอไม่รังเกียจฉันไม่มีลูกกับเขาฉันไม่เคยมีลูกกับเขาเลยฉันจะรับเธอไว้เป็นเป็นลูกของฉันใม้เบรการหนึ่งทราบว่าท่านพัะวรดีเศรษฐีก็ดูมันว่าจะมีชื่อดีทันฉันเคยได้ยินอยู่แต่ก็ไม่เป็นไร เวลานี้ท่านตายไปแล้วมันได้ก็ตายไปแล้วและก็เธอก็คงไม่สามารถจะกลับบ้านได้เป็นลูกสาวฉันก็แล้วกันและฉันไม่มีลูกนางไม่รับความประนีจากท่านกุดุมพีแบบนั้นก็ยอมรับเขาจึงจุมพิตลงไปที่ศีรษะครั้งหนึง่งแสดงว่าการยอมรับไปเป็นลูกของตนและนำไปสู่เรือนตั้งแต่บัดนั้นจป็นต้นมา ยกย่องให้เธอมีตำแหน่งเป็นธิ่ดาของคนโตของตนแต่ความจริงแกไม่มีลูกก็มีก็ามามีกันแล้วก็ยกเป็นคนโตคือว่ารับเราไม่ได้ในทะเบียนบ้านว่าเป็นลูกสาวไม่ใช่คนอาศัยลงทะเบียนว่าเป็นลูกผู้ใหญ่เป็นลูกคนโตนี่ต่อมาสแสดงถึงว่าตามพบาลีท่านแสดงถึงปัญญาของสามาวดีสามาเฉย ตอนนี้ยังไม่มีว่า ด, ดีว่า ด, ดีแปลว่าวรู้ว่าท่านกล่าวต่อไปว่าท่านเศรษฐีที่ด่านั่งคือสา ม, มาได้ฟังเสียงคนที่มารับทานเสียงอึ้งออไปหมดเสียงดังลั่นสนั่นฟังกันไม่รู้เรื่องยังถามท่านพ่อใหม่ว่าท่านพ่อทําไมทนนั่งหลายเหล่านั้นยังมีเสียงเดียงดังนักจะให้เงียบเสียงไม่ได้เลยเจ้าข่า พันนี้ตาโกดุมพีผู้เป็นพรอมาพ่อใหม่ยังกล่าวว่าผู้พ่อทํางานประเภทนี้มานานแล้วลูกเป็นเวลาสิบปีเสร็จพ่อไม่สามารถจะทำได้ทํายังไงยังไงเสียงแค่ก็ดังแบบนี้จะขอร้องยังไงแต่ก็ไม่ยอมฟังพ่อต้องทนตัวเสียงแบบนี้มาทุกวันทั้งเช้ากลางวันและเย็นสามายังตอบว่าถ้าหากว่าพ่อคุณพ่อไม่รังเกียจที่จะรับฟังฟังคิดเห็นของฉัน ฉานคิดว่าทําได้จะพออาจจะทําได้ท่านนี้แต่กรดุมเพียถามว่าถ้าอย่างนั้นทํำยังไงแล้วลูกไหนลองบอกมาสิถ้าบอกมาถ้าหาว่าเป็นความดีพ่อพร้อมจะทําตามนี่เป็นอันว่าเป็นพ่อที่ดีด้วยท่านเป็นผู้ใหญ่จริงๆความจริงคนที่เป็นผู้ใหญ่นี่เขาไม่ได้ถือตนว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะอายุแล้วไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เขาวิชาความรู้ที่เรียนมาตามลําดับชั้น หรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่โดยตำแหน่งคำว่าเป็นผู้ใหญ่ก็คือทรงความดีมีพรมิหารสีมีเมตตาความรักตุณาความสงสารมุตตตาจิตอ่อนโยนไม่ชาดิสยาบุคคลอื่นเห็นคนอื่นทำดีก็พคอยส่งเสริมความดีด้วยอุมเบกขาไม่วางวางเฉยคือไม่ซ้ำเติมบุคคลที่ได้รับความทุกข์นี่ท น, นิตากคดมพีท่านเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ ทังม้ว่าโดยอายุท่านก็เป็นผู้ใหญ่โดยตำแหน่งเวลานี้ท่านเป็นพ่อท่านก็เป็นผู้ใหญ่แถมน้ำใจท่านกัทรงคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่ไว้ครบถ้วนผู้ใหญ่อย่างนี้ไหวได้แต่คนที่ใหญ่แต่เฉพาะตำแหน่งหน้าที่ใหญ่เฉพาะอายุใหญ่เฉพาะความรู้ที่เรียนมาตามลาดับชั้นในโรงเรียน แต่ว่าไม่ส่งความดีในคุณธรรมนั่งสี่แบบการคือพรหมวิหารสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เขาไม่เรียกว่าผู้ใหญ่เขาเรียกว่าคุณแก่คือแก่เลวไม่ใช่แกด่ดีความดีมันอ่อนไปแต่ความเลวมันแก่มากไปกําลังมันใหญ่จะไม่สามารถจะส่งความดีไปได้ <c oughs> เป็นอันว่าสา ม, มาว ด, ดีจเได้กราบเรียนว่าสา ม, มาเฉยเฉยสา ม, มายังกเปลี่ยนว่าคุณพ่อ ขอท่านขอคุณพ่อทำแบบนี้ก็แล้วกัน <c oughs> ขอคุณพ่อจงล้อมโรงทานไว้ทำรั้ล้อมไว้แล้วก็ติดประตูไว้สองแห่งพอประมาณที่คนจะเข้ามันได้คนเดียวเท่านั้นหมายความว่าทำเป็นรัว้วเป็นคิวให้เข้าคิวอย่างสถานีรถไฟเขาให้ซื้อตัว๋วเรียงคิวกันเข้าไป เรียงชิวกันเพื่อได้เพียงคนเดียวเดินตามกันเป็นแถวและจึงบอกว่าท่านทั้งหลายจงเข้าทางประตูนี้รับแล้วออกทางประตูน้นธรรมประตูสองด้านเมื่อการเพียงเท่านี้คุณพ่อชนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเงียบเสียงเวลาที่มารับของที่คุณพ่อแจกท่านนิจาะกระดุมพีท่านคนดีท่านไม่ได้ถือตัวท่านเป็นพ่อท่านไม่ถือตัวเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้ถือตัวดำรงตำแหน่งนี้มานานใครจะดีกว่าฉันไม่ได้แม้แต่เด็กบอกท่านก็รับฟังนี่ถ้าฟังถ้อยคานั้นแล้จึงกล่าวว่าอุบายนี้เข้าทีดีลูกถ้าอย่างนั้นพ่อจะทําตามท่านจึงให้คนกระทาตามที่สามมาแนะนำแล้วนัะว่าปกติที่ดายของเศรษฐีนนั่นในการกรที่ว่าสา ม, มา แต่ว่าเพราะว่านางได้ทำรั้วกันต้องกันกันส่งเสียงจึงมีคำต่อท้ายว่าว่าดีจึงมีนามว่านางสสมาว่าดีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเป็นอ น, นว่าตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปเสียงโกลาหุนในโรงทานไม่มีเสียงไม่เงียบไปท่านโคศกเศรษฐีผู้เป็นเจ้า ข, ของทานเคยได้วางฟังเสียงนั้นมาทุกวันในการก่อน ก็พอใจว่าเวลานี้โรงทานของเรากําลังให้ทานยินดีในในทานที่บุคคลผู้รับมารับกันมากมายเมื่อด้เมื่อไม่ได้ยินเสียงนั้นประมาณได้สองสามวันเจียงได้คิดในใจว่าอีตามิตกกรโกลมพีนีเิเกตหน้าโวจะเล่นไม่ซีเ่เสีแล้วไม่ได้ยินเสียงคนมารับทานเลยนี่ผู้มาสู่ที่บำรุงของเราคนจะไม่มีแน่ นิตตะโกดมพีคนจะเอาสตังที่เรามอบไปให้ทานในเข้ากระเป๋าขึ้นแล้วท่านมีจิตคิดสงสารคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นอย่างยิ่งท่านจึงได้เรียกให้เรีย ก, กมิตตะโกดมพีเข้ามาหาและยิงถามนิตตะกกดมพีว่าทำไมเนะี่ยโรงทานของเรานี้จึงเงียบไปตั้งสองสามวันเธอไม่ได้ทานตามปกติหรือ อ่านนิจตะกตุลภีบอกว่าถ้าผมให้ทานทุกวันนะครับแต่ว่าที่เสียงเงียบไปอย่างนี้ก็เพราะว่าในการก่อนผมคิดไม่ออกว่าทํายังไงบุคคลที่มารับทานจะเรียงคิวเข้ามารับตามลําดับไม่แย่งกันและก็ไม่ส่งเสียงเอื้อเฉาวได้เวลานี้คิดมันได้แล้วทําตามนั้นเสียงจึงไม่มีครับก็ย่างงันไป ท่โคสกเศรษฐีปรจึงถามว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะทำไมท่านจึงไม่ทำในกาลก่อนละ่ะเมื่อก่อนนี้ก็น่าจะทำนี้ทำมาตั้งสิบปีกว่าเพิ่งจะมานึกได้ยังมันยังไงกันแน่ท่านนิจจ ก, กระดุมพีก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้มันคิดไม่ออกขอรับเพิ่งจะมาคิดออกท่โคสกเศรษฐีจึงถามว่าที่คิดออกน่ะทำไมยังไม่คิดออกกินอะไรเข้าไป กินเฮโรอีนแล้วก็กินกัญชาเข้าไปยในคิดออกน่ากลัวถ้าไม่ได้กล่าวอย่างนี้ในพูดเลยก็จะแล้วอะไรก็ดีเหมือนกันตามสมนวนนักเทศ <c oughs> ถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมายังรู้มาก่อนทำไมาไม่รู้ท่นนี้แต่กระดุมพีก็เป็นกราบเรียนว่าความจริงผมไม่รู้เองหรอกครับผมคิดมันได้มาสิ้นเวลาประมาณสิบหกปีคิดไม่ได้เลยทํามาแบบนี้ เวลานี้ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของผมเป็นความคิดของลูกสาวของผมครับลูกสาวของผมเขาคิดได้เขาบอกให้ผมก็ทําตามเขาท่านโคศกเทพบุตรชอบใจว่าเออนี่ท่านมิตรศ่ีแรงที่ท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้กิจการที่ตนเองคิดไม่ได้ลูกสาวคิดให้ก็พยายามเชื่อไอคนที่จะเชื่อเด็ก เป็นคนดีๆอย่างคนนี่นะมันหายากเต็มทีนี่ฉันก็เป็นคนมีบุญมากนะได้คนดีสําหรับคนนี้ต่อไปจะรางวัลความดีให้จะขึ้นเงินเดือนให้มากกว่าเก่าอีกสามเท่าดีใจไหมอันเมตตาโุดมพีเขาบอกก็ไม่ต้องเราก็รับเท่าที่เมตตาปราณีเวลานี้ก็พอแล้วผมมีความสุขพอถ้าจะมีความเมตตาปราณีก็เมตตามากปราณีกับลูกสาวของผมด้วยครับถ้าผมเป็นคนจน ต้องรับผลที่ท่านส่งเคราะห์ถ้าจะเมตตาปรานีให้เครื่องบรรดับก็ควรจะให้เครื่องบรรดับกับลูกสาวของผมก็แล้วกันนั่นน่ะไม่ไมเฉลกตัวไม่ห่วงแต่ห่วงลูกสาวเพราะถือว่าเป็นความดีของลูกสาวคนดีอย่างนี้หายากในประเทศไทยอยากจะได้คนดีแบบนี้มากๆถ้าประเทศของเรามีคนดีแบบนี้ทั่วๆ่วไป ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการฝ่ายจำฝ่ายขร้ราชการการเมืองพ่อค้าข้ า, ขาดีประชาชนมีคุณธรรมอย่างนี้ทุกคนประเทศไทยมีความสุข <c oughs> หาความเดือดร้อนแบบปัจจุบันไม่ได้แต่ในปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนเพราะอะไรอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถึงแม้จะทราบก็ไม่พูดเพราะอะไรพระมีปกติรู้แล้วห้ามพูด เพราะว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเป็นเรื่องาพาเป็นภาสิทธิ์ของโบราณขอถวายพระพรเรื่องสามมาวดีต่อไปอาตมามาออกออกนักนอกทางไม่ได้เป็นอ น, นว่าท่งโคศกแปลกใจว่าท่านมิตาโกดมพีบอกว่ามีลูกสาวสนในกาลก่อนถ้าไม่เคยทราบมันเลยและไม่เคยบอกให้ทราบ ยิงถามท่านมิตรกระดุมผี ว, ว่านี่ท่นมิตรที่เธอบอกฉันว่าเธอมีลูกสาวฉันอยากจะทราบควาบเบ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะนี่ฉันเธอจู ก, กับฉันมานานฉันไม่เคยนุ่งสาวเธอเลยอยากจะทราบว่าเธอมีลูกสาวและลูกสาวไปไว้ที่ไหนทําไมยังไม่ปรากฏตัวให้ฉันเห็น มีฉันไม่เคยเห็นลูกสาวเธอเลยเธอมีจริงๆหรือบอกหรือว่าโกหกเอาเฉยทัานนิสิกาโกดมพีฉันได้รับว่ามีจริงๆขรับแต่ว่าไม่ใช่ลูกผมจริงๆหรอกครับผมรับมาเป็นลูกเวลานี้เป็นลูกจริงแต่ว่าไม่ใช่ลูกเกิดจากพัญญาจึงได้เล่าเรื่องความเป็นมาของท่านพัะรวัดีเศรษฐีทั้งหมดให้ทราบจําเดิมตั้งแต่ เสด็จอินวาแต่ก็โรคแล้วเดินทางมาได้เจอท่านท่านดั้นสองตายลูกสาวคนนั้นมารับของทราบความเป็นได้รับไว้เป็นลูกสาวคนโตวเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีโคศกจึงกล่าวกับมิตรกระดุมพี น, นว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เหตุไรท่านจึงไม่มาบอกฉันรู้ว่าท่าน มหาเศรษฐีคนนั้นเป็นเพื่อนของฉันมันบุตรสาวเขาถ้ามหาเศรษฐีเขาบุตรสาวเศรษฐีคนนั้นมือบุตรสาวเขาจะหายฉันก็ต้องเป็นลูกของฉันทําไมจะต้องตกมาเป็นลูกของท่านนี่ท่านทําผิดทําไม่ถูกควรจะบอกเราตั้งแต่ต้นว่าเพื่อนของเรามาตายอยู่ที่หน้าเมืองหรือว่าเพื่อนของเรามาอยู่ที่นั่น เราจะต้องได้ไปต้อนรับให้สมเกียรติฐานะที่เป็นคนมีฐานะเสมอกันและเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าเขาจะต้องหนีภัยมาจะต้องอาศัยโรงฐานเราก็ไม่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเรื่อเป็นธรรมดาของบุคคลที่มีการข่ายแขนบ้างถ้าภาเศรษโบราณท่กากล่าวไว้ว่าเศรษฐีย่อมขาดวัดมาก เ, เศรษฐีก็อาจจะมีโอกาสขัดไฟได้แม้แต่ไม่ขิดไฟบางวันก็อาจจะไม่มี นี่เป็นภาวะปกตินี่ทำไมท่านไม่แจ้งข่าวนี้ให้เราน่ากลัวนี้ท่านจะต้องมีความผิดแล้วแต่ท่านมหาเศรษฐีเจ้าหนี้บอกว่าท่านมิตรคดุมพียังไม่เรียกสามามาดีบุตรสาวของเรามาหาเราแล้วกันนี่ทึกทักเอาเป็นลูกไปเซะเลยลนล้วมาเรียกกลับมาแล้วท่านยังกล่าวว่าแม่ แม่เนี่ยเป็นลูกสาวของเศรษฐีที่นั้นใช่ไหมแม่สามาวดีก็บอกว่าใช่เจ้าค่ะทั้งโคศกเศรษฐียังกล่าวว่าถ้ากันนั้นเจ้าจงอย่าคิดเป็นอย่างอื่นในเมื่อเจ้าเป็นลูกสาวของเพื่อนของพ่อเจ้าก็ต้องเป็นลูกของพ่อเพราะนั้นเจ้าจงเป็นลูกของพ่อพ่อขอรับเจ้าเป็นลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องไดจุมพิษลงบนทีรษะโองสา ม, มาวดีสแสดงอาการรับไว้ในตําแหน่งคนลูกสาวคนโตแต่วความจริงท่้นโคศกเ ส, สถียรนี้ท่านไม่มีลูกเลยถึงยังไงยังไงเข้ามาก็ต้องเป็นลูกสาวคนโตแน่หลังจากนั้นแล้วจะได้มอบหญิงมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันห้าร้อยคนให้แก่นางสาวสา ม, มาวดีเพื่อเป็นเพื่อนเล่นกันม่นี่เพื่อนเล่นนะ <c oughs> มีเพื่อนเล่นตั้งห้าร้อยคนสบายไปเลยเพื่อประโยชน์แก่การเป็นบริวารเข้ามาอย่างนั้นตั้งนางสาวมาวาดีไว้นั้นในตำแหน่งที่ดาของใ น, นที่ดาของของตอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปคำว่าตั้งนี่ก็หมายความประกาศให้ประชาชนทราบว่าสาวมาวาดีนี่เป็นลูกสาวคนโตของฉันใครจะมายุ่ง ชัยจะมาถือว่าเป็นลูกของพราเป็นคนเดินทางอันนี้ไม่ได้แล้วก็ให้เครื่องประดับประดายในตาแหน่งของเศรษฐีทุกลูกเศรษฐีทุกราการมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้แก่ น, นางแทนปัญญาเพราะว่าปัญญารู้สุขแก่แล้ว น, นี่ช่วยแม่มีหน้าที่ช่วยแม่ช่วยพ่อจัดการในบ้านเรืองทุกอย่างเป็นอันว่าสามาวดีเป็นคนดีมีปัญญามาก เมื่อไปอยู่ในเด ก, กุลเขาได้โคศกเศรษฐีก็ททำตัวเป็นลูกที่ดีจิตาจงานทุกอย่างรับภาระทั้งหมดเป็นที่เบาใจเขาไม่ได้ละมรนดานมีอยู่ต่อมาวันหนึ่งในเมืองนั้นมีงานนักขัตฤรรกษ์ที่งานไปจำปีเวลาที่มีงานนักขัตฤกษกไปจำปีนั้นตามบุพปิท่านกล่าวว่า กุลธิดาทั้งหลายคือบรรดาลูกสาวในตระกูลทั้งหลายผู้ไม่ได้ออกไปเป็นนอกผาใจในภายนนอกหมายความคนที่มีตระกูลทัสงสูงนั้นเขากักลูกสาวไว้ในบ้านไม่ได้ไปล่อยให้เที่ยวเพ่นผ่านเพ่นผ่า น, น, านไปตามอำเภออำเภอใจที่มีความต้องการกันแบบตะวันตกเขามีประเพณีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจรักษาความดีทรงความดีขนตระกูลไว้ ไม่ปล่อยให้เป็นคนเสพเเพ เ, พเพที่ยวเตะไปตามยถากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประเพณีเกิดขึ้นเป็นงานประจำปีลูกสาวชาวบ้านทั้งหมดที่ถูกกักถูกขังให้อยู่ในระเบียบขเ้เกณฑ์ก็ว่าเพณีทั้งหมดก็ถูกอนุญาตให้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำได้และก็ไปเที่ยวกับบริวารของหลายได้ในงานนั้นตามสบายที่ไม่เคยปรากฏมาในการกร่อน <c oughs> ว่าเมื่อประเพณีเป็นอย่างนั้นในวันนั้นแม้วันนางสาสามาวดีมีหญิงห้าร้อยเป็นบริวาแรแลบแอดล้อมแล้วก็ได้ไปอาบน้ำที่ทานน้ำตามสบายไม่ต้องอาบน้ำในบ้านไม่ต้องอาบน้ำในห้องทเที่ยวเตรตามสบายตามมัติยาใสของบุคคลที่ไม่ไม่เคยเที่ย ว, วบ่อยๆนักก็เป็นที่เรื่อเรองบรนเทงใจสำหรับ ทางที่จะเดินไปนั้นเป็นทางผ่านพันลานหลวงหมายความว่าทางที่ผ่านไปต้องเดินต้องเดินผ่านลานหลวงพันลานหลวง ก, ก็เป็นทางที่ใกล้กับพระแกรของพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์เพราะว่าพระราชาหรือใครก็ตามจะยืนอยู่ที่นาต่างมองเห็นท น, นัด พระท่านานางอยู่ใกล้กับพระราชฐานเมื่อพระเจ้าเทมบรมกษัตริย์เริ่มบาทเท้าเธอสมบัติทัพอยู่ที่ศรีหาบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นนางส า, สาวสาวมาวดีนั้นเห็นขึ้นเราก็เกิดชอบใจรูปร่างก็สวยมันย่ายก็ดีลีลาก็น่ารักจะเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาจะเยื้องกายอย่างไรก็ตามรู้สึกว่า ง, ง, งามไปหมด จแจกแกว่งแขนซ้ายจจกควยายแขขวาก็อยู่ในจริยาที่น่ารักดูน้นท่าทางนิ่มนวลเป็นคนมีแต่คุณ น, นุ่นชัดแสดงว่าเป็นคนมีวาสนาบารมีดีแม่จะเยี่ยงกลในการวาจาของการหญิงคนใช้ก็ดีรู้สึกว่านิ่มนวลทุกประการชักสงสัยไม้ว่าหญิงคนนี้เป็นลูกของใครเอาแล้วเรื่องใหญ่มาแล้ว องจึงมีพระราชดำรัสรัสสั่งให้ราชเโองก็มาหาแล้วก็ถามว่านี่เธอหญิงสาวคนนี้เขาเป็นนางพรยของใครนะแกล้งถามก็ตามธรรมดาเศรษฐีทั้งหลายก็มีนักพรนักแหลมประจําบ้านขรรดาคุณนางต่างๆก็มีนักพรนักแหลมประจําบ้านเหมือนกันเมื่อเมื่อเป็นเช่นั้นพระเจ้าเทีน อะไรล่ะตามบาลีท่านพูดไม่ชัดราชจิตรจึงกราบทูลว่าหญิงคนที่ไม่ใช่นักฟ้อนพรเจ้าข่ะไม่ใช่เป็นคนนักฟ้อนไม่ใช่เป็นชายของข่าไม่ใช่เป็นคนใชายของไข่พระพุทธเจ้าค่ะเจ้าเทียนเย็นถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอเป็นลูกสาวของไข่ราชจิตรจึงกราบทูลว่าเธอเป็นลูกสาวของโคศกเศรษฐีพระพุทธเจ้าค่านางนี้มีนามว่าสามาวดี พระเจ้าเทีนบรมกษัตริย์ทรงทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเกิดความรักในสิเนหามากความรักยึ่งได้รับสั่งให้ทรงสารไปให้ธรรมหาเสฐีว่าด้ินว่าท่านมหาเสฐีมีลูกสาวฉันขอลูกสาวท่านมหาเสถีมาเป็นมเหสีของฉันเอาเป็นตรงๆ การพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดอย่างเจ้าแต่ก็เป็นเจ้าที่มีความปรารถนาดีไม่ใช่เจ้าบีบไม่ใช่เจ้าบังคับในขณะนั้นรายกดว่า น, นางสามาวดีไม่ได้อยู่บ้านออกไปที่ทงหลอก พันมหาเสด็จทีไม่ได้รับข่าวสาวข่าวสานั่นแล้วนี่เลยส่งข่าวไปพระประราชาว่าทรงไปไม่ได้พระเจ้าค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ทราบว่าลูกสาวของตัวน่ะจะชอบพระราชาหรือไม่นี่รู้สึกว่าเป็นพ่อที่ดีไม่ได้ยิงกับตัวสําหรับพระเจ้าเทนีิยิงข่าวว่าพันมหาเสรษจีไม่ยอมให้นี่กล่าวไปว่า จงส่งมาถ้าไม่ส่งมาจะมีโทษท่านโคศกเทพโคศกจึงกล่าวว่าโคบอกว่าท้าพเจ้าชื่อว่ากษัตริยดีให้ไม่ได้พี่เจ้าขา้าที่เคล้าที่กล้ากล่าวเพราะว่าข้าพเจ้ากลัวภัยจะพึงมีกระี่ดาของข้าพเจ้าเนื่องด้วยว่าในราชสำนักมีประเพณีมาก ถ้าินแดนข้าพเจ้าไม่สามารถจะปฏิบัติตามระเบียบประเพณี้ได้ก็เกรงว่าภัยจะปรากฏพระเจ้าชายก็ทรงโกรธรีบสั่งให้ตีตราเรือนจับมหาเศรษฐีและปัญญาของเศรษฐีใส่กุญแจมือไว้แล้วนำไปไว้ภายนอกสำหรับนางสามมาวดีอาบน้ำแล้วกลับมาไม่ได้โอกาสที่จะเข้าไปสู่บ้านได้เพราะเขาห้าม แล้วก็ยังถามว่านี่อะไรกันพ่อมินดายังตอบว่าแม่ในหลวงทรงส่งสารมาเขาต้องการให้เอ้าเจ้าเข้าไปเป็นมเหสีพ่อไม่ให้จึงรับสั่งให้ตีตาเรือนแล้วทรงรับสั่งให้ทำกับพวกเราไว้ภายนอกหมาว่าปล่อยไว้ภายนอกไม่เข้าบ้านไม่ได้บ้านนี้ยึดเป็นของหลวงนางสาวสามเมาดียังกล่าวว่าพ่อ ทำกรรมหนักเชแล้วพ่อธรรมดาพระราชาเมื่อส่งสารมันแล้วก็ไม่ควรทูลว่าไม่ให้ควรจะทูลว่าทาพระกชิดาของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารไปพร้อมกันข้าพาระเจ้าจะถวายต้องกล่าวอย่างนี้สิพ่อไม่งั้นก็มีโทดเพราะว่าพระราชาอันนี้ต้มีอำนาจใหญ่น่กล่าวตว่าดีและแม่ เมื่อเจ้าพอใจเมื่อลูกพอใจไม่เป็นไรพ่อจะทำอย่างนั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ส่งสารบรรทวายพระราชาตามนั้นพระราชาทรงรับบัญญินแล้วจึง น, นำนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยให้เข้ามาในพระราชฐานทรงอภิเศกแต่งตั้งไว้ตำแหน่งเอก อ, อัครมเหสี หญิงที่เลือนนี้ก็ได้เป็นบริวารของนางมาสามาวดีต่อไปเป็นเรื่องในตอนต้นที่พระนางาสามาวดีจะเข้าสู่พระราชฐานก็ยุติตระเพียงเท่านี้และเรื่องนี้ยังไม่จบจะขอถวายพระพรต่อไปอีก